การระลึกชาติของนักศึกษาอเมริกาโดยอุทิศทินกรณ์อยุธยานิตยาสารเฟสฉบับประจำเดือนธันวาคมคริสตศักราช1966ได้ตีพิมพ์เรื่องราวของ